5. สมุดฐานวาระวาระว่าด้วยสมุดฐาน 1. ปาราชิกกันคำถามคำตอบสมุดฐานในปาราชิกกันปาราชิกสิกขาบทที่5 253ถามเพราะภิกษุณียินดีการถูกต้องกายอาบัตทั้งหลาย บรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตห6สมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานเท่าไหร่ตอบพระภิกษุณียินดีการถูกต้องกายอาบัตทั้งหลายบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตห6สมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานหนึ่งสมุดฐานคือเกิดทางกายกับจิตมิใช่เกิดทางวาจาละ 5. ปาติเทสนียกันคำถามคำตอบสมุดฐานอาบัตในปาติเทสนียกันละปาติเทสนียศิขาบทที่8ถามเพราะภิกษุณีออกปากขอนมเปรี้ยวมาฉันอาบัตทั้งหลายบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตหกสมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานเท่าไหร่ตอบ